ขันธวิมุตติสมังคีธรรมะปทประพันธ์โดยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระนำมัถูกสุขตาสสะปัญจธรรมขันธานิข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาสักยมุมนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนวโลกุตรธรรม9ก้าประการและอริยสงสาวกปัตนี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 เปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดินแลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์แก่ว่านั่นสูงยิ่งนักแลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมาเป็นมรคคาทั้งนั้นเช่นบันไดถามว่าน้ำขึ้นลงตรงสัตยังนั้นหรือตอบว่าสังขารแปรแก้ไม่ได้ธรรมดากาแต่ง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 ใจไม่เที่ยงของใจซ้ำให้เคยเมื่อถึงเออยากรู้เองเพลงของใจเหมือนดังมายาที่หลอกลวงท่านว่าวิปัสสนูปกิเล์จำแรงเพศเหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริงรู้ขึ้นเองหมายนามว่าความเห็นไม่ใช่เช่นฟังเข้าใจฉั้นไต่าถามทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูปนาม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 วัดสะปฐุมวันเป็นผู้แต่ง